เป็น ไ, ง ไ, ง ไ, งไ <c oughs> ช่วงนี้ก็เรียนอีกร่วที่จะมาพูดเรื่องใจักญาณงพากเรียนมาเข้าใจ้หไกแปลไว่าอย่าง ไ, ไรใจักญาณ น, นะใจกญาณมาจากอะไรใจญาณเห็นยใจญาณในอะไรในสรรพสิ่ง ท, งทงี่าานยา ไปแบบว่าอะไ ร, รลักษะแบว่าอะไรนะลักลักลักษณะสอย่างไปลักษณะสามอย่างแบบว่าอะไรแบบว่าต้องรู้ลักษณะ3มอย่างเป็นยังไงลักษณะ3มอย่างมันเป็นตั้งอยู่ยับไป มันเกิดขึ้นในเรื่องนวตั้งอยู่ในธรรราึ่งสลายมาลายชุ่ในที่สุดลักษณะสามนีเป็นกฎธรรมดากฎธรรมดากฎธรรมชาที่มัมมมนครอบโลกในการนะมันมีอยากมีพลังมีละอยดสิ่งอยากมองเห็นจิจัจ ่าได้อนิจังอานิจังของอนัตตาเพราะว่าได้แต่อนิจังจริงๆเน่รู้อะไรอนิจังอนะไรๆไปเห็นหน่อไม้ไหลนะ่ะหน่อไม้มันเกิดขึ้นไดนะ้งเกิดขึ้นจากยิง่งเพราะอะไรเพราะปลายมันแหลมใช่ไห แย่งนี้ก็ไตรัยงยาเหมือนกันนอม้อเกิดขึ้นเกิดจินเพราะว่าตายไม่ลมันถึงแข็งขึ้นมาได้ใช่ไหมที่นี่น่ะนอกจากนี้เห็ดเห็ดอะไรที่เขาเรียกามบ้านเราที่สั่งเรียกเห็ะปูทำไมมันถึงเกิดได้เนี่นะายไม่แล้นะนะมันเป็นธรรมชาติ ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเรีกว่ามันธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเรามีความเกิดความแก่เป็นธรรมดาคมแก่ความแก่แก่ยัแก่เองมั้นเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยเองไม่มีใครบอกไม่มีใครทาเขาเรียกว่าธรรมดา ทุกอยางธรรมดาธรรมชาติอันเดียวเันไว้นะอันเดียวกัยธรรมชาติอาาอสิในวัฏกรันเกิาดขึ้นอ เ, นเนองเป็นธรรมดาเกนเองเป็นในยเองไม่มีใครสร้างสรรค์แบบเดีดวยดวธรรมชาติทุกธรรมดา มูฟอานมันนีมันแกเป็นธรรมดาสวดทุวันแกมันม่เป็นธรรมดาเอิไหมนะแกเป็นธรรมดานะมีความเ็บให้เป็นธรรมดาม่เจ็บปดเจวมันเคยถยเองเป็นไปด้วยนมีใครสัง้แบว้นรมา ภาาีเป็นภาษานจ่งไม่เท็ทุกคังตนอยู่ไม่ได้กับม่ได้พราะธรชาตของใครมันยืนยาตัวยามแต่ว่ากวนง่ายน่ะในเวลาดูดี่ยวเองสิ่งของกับยาเขาสร้างขึ้นมาต่ต้อยู่ไม่นานมันก็ความเสื่อมไ เวลาจมไปประาเวลยามหน้าเวรเทียมทกครั้งตโยเมิกลางเวาดึกเสด็จกาวโลกโลกนอยนนหนึ่งกลางวนขว่าอยาต้องแท่ราาเราต้ ฟ้าหาน่อยใช่ไหมนะเป็นเด็กเล็กเป็นทาแล้เวเนี้ยเยียดบอลได้ไมันยืดอลได้แล้ <c oughs> วมันก็แปรัวเป็นแปลมาเรื่อยโตมาจมมากปีนโตฟ้าหน่อยแล้วนี่ยเกร้ อ, รองเร้าบริเวณยังใส่ไม่ได แสดงว่ามันเทีย่ยงไ่าน้ะนะแนสะนะดงว่ามันเทียเ่ยงนี่เราดูอย่างถ้าไม่ดูอย่างเพราะว่าสันตนมันสืนหนอหึงกันเราไม่เห็นไม่เห็นปวามาสือหนึ่งกันไม่รู้ว่ามันใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงโตขึต้นมาได้นี่น เ, นเราดูตาดเราสี่อย่าง ว่าเป็นอะไรังเห็นอย่างนี้ยังนะแต่ก่อนเป็นทาโลโ่โต่อมาก็มาเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหนสาวคนห่ก็มาเป็นชายชาราหัวงหมค้งหลังงอผิวน้ำเป็นสีงามไปเทิดองกจากร่างัวโดยา แต่งกายแตนกายเฉพาะเราเรียกว่าอนนีจังมันเองนะฮะบกายของเราเป็นแบอนนีจังเห็นอนนีจังเนี่ยมันไม่ใช่ทุกครั้มันแบกคเปลี่ยนแดงตลอดไปหมายถึามันแบเข้าสุขมันมันไม่ได้ตอดประจ่า ถ้าเป็นเรากายเป็นเราองค์กรของเราคงจะสามถได้แกหน้าใเป็นคนเป็นสาวเนผู้งได้เลยนงะาทำนิคขามานันดาสาาพพูดได้เนเดียวเข็มใยเห็นตจล้ในายา เห็นไตรถ ย, ยาต์ในต้นมาเห็นใตรถยาต์าในพืชในผักตั้งแต่กวว่นเราออกม่เล่นไปวางถูกหวานใช่ไหมฉันอยู่มาไม่มามนู่นดินะ น, น, น, นะนุ่นนะ้ำบางคนเด็ตโตใจเล่นออกงานแสดงว่าเที่ยงเหนื่อยนะอ้าเนี่ยเหเป็นงารยืนยามทุกครันงาา อาวุอาจารย์พูดต่อไปให้เรานั่งสาธิสักพักนั่งสมาธิเป็นองค์เสริงเรานสมาธิเป็นองค์สำคาญมุนีนัมุนีนัสหรือพระพุท้เจ้าพระพุทธเจ้าเนกันแ่แรงพระพุทจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าเรา เาใหใจกับการาสัมผสต่อสัตวท่านาต่อสัตว์าต่อสัตวมนไรน้สต็นว เชื่อันดีสตีไม่ดีเชื่สารน้าคนลักนีไปนี่ยสนัขครักนีไปฉันเลยจิตราไม่เคยจนอิสรสติปัญญาไมเคยดไปตวาเคยเเวลาเราอมาคุมันดีให้มันนิ่ให้มันสมันจยากลบากนี้ เชื่อคือสติมีองค์ไนน์ตูไหมันจะร้องมันบ mm ัง hmm. ค hmm. ับมันสุนันมันประมาณตัดท้อทุกอะไรใช้รักษามันหายดีจะออกไปเราผสมมันย้อนะเพอมันย้อนเป็นจิตคุณจิตของเราให้มันมาดที่อารมณที่เราไม่ใจ ไม่พายมเกิด hmm. ป็นดนนึ่งเดกคนหนึงอารมณ์ดีครามันเนวัสมาธิสมาธิคิตตามันมีิอจิตปกติใจปกติสมาธิคจต ปัญญาใจก็รู่อนกองสิ่งท่านตอนนี้แ่มการบูากที่นี้ที่ว่าถ้าจิตสงบแล้วเราก็ได้สมถชาตอ่าทีいい่แรกมันจะสมบนิดนิดเมื่อเราเรีว่ากานี้กสมถิสงบไปบางกโตออกมาแล้วก็เข้าไปสมบเยี่ สลับกันเรียนียเกี่ยวกับวิชาส่าลงไปเดียวีเองงาน่ว่านาสมาธิีเราี่เขาบอกว่ามีมโนเป็นดร นก่อนเนี่ยว่าเอาบางพกบเข้างเป็นเล็กไม่น้อยตัว้อยเดียวเนี่ยว่าเอาบาพวกแบบเอาบาพนจะเป็นผู้กับจะมีกาสมนี้ก็สมมตว่ารนุหนนิดเดียวตั มันหยิยังนึ่งเช็ดุเด็ยังจอไปเรียกว่จาะจาแกิไม่นิ่งกิเีเครื่องลอรับยนอกมากท่านแู่กจาระลสมาธจแกิไม่นเป็นที่จะเป็นผูกับทากัาระลก็จาระน ูกับหลวปเรสมาธิมันจะเข้าร่วมทานในแเดียวถอนออกมาอยากเปนถ้าเราเข้ไปสบกันรียกว่าท่านเรียกว่าพลพระประการงานการงานกินงียเกิดเร็นโดนบางครู้งานันนั่นนันอางเีนี้สมาธิตอนนี้ มันเกิดนิ่งนิ่งแสแสัส่องแสงหมดหลุดเปแสงอ็นซีอะไรเป็นม้นีน่มันเกิดโจมตีถ้าเป็นการอนหลับนอนลับขึ้นนเป็นนอนหนนอนหั กสมาธิมได้แช่กจรสมาธิแต่ชนนิ่น่งมจ้องดีนิ่งจิตตาากันิสลองไปปดีไไปชยมาว่าจิตินงอย่างทีเห็นนังเวลาไนก็อยากนิสัยนินันิ่นง้น่อยาส่างอยาเ็นธรรมา นายก็ไม่ได้มานำอะไรเราไปนายก็ไปต่อไปเอมต่อไปเป็นริบบิ้นผสมริบบิ้นผสมเย่เชื่อมต่อไปเป็นริบบิ้นเย็นเย็นไปแล้วอันนี้อยากไปออกอยากไปออกอยากไปเย็นไปดื่มไปเย็นอะไรบางทีเราควรดื่มตัวบางต จีตของเราเป้นแสงเป็นเป็กเป็นดวงใจสมาธิไปไม่อยากมีในใจนั้นก็เลยหาวิธีแสดงเป็นเป็กเป็นแสงสว่างสวัยของแสงนี่ไปนี่มาสลัเป็นต่อไปเป็นรูปภ่อไปก็เป็นเสียงเป็นมนนำเท่า ไม่ได้ก่อหนาที่ก็เป็นปูทำา น, นคุยไป น, นั่งไปรู้ว่าเปคิดของบปนเ ด, ดียวของตัเองไปทำกานดีไปดอยรัมนมันตังมาาที่ก็อร่วมาเราไปได้ยางหนัยากนี่งต้องไปราเสียเราานเสียเวลาลงพอนะุีเิ ป, ปรถ้าะจะรองจริง เรกเอาอะนนี้จินอยู่แต่จินสมัครวันกินป๊กปกินแท้ๆกินเดิมรนอจับลมได้คุจิตมาลูกมาลูกจริงๆไม่ออนี้นะโยินของเราก็จะลมได้ไหก็จะต่อจับไจของเรามาโตขึ้นมาเป็นคูขึ้นมา นี่นะมีกิตมันคือคนลูถ้าไปเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กิตเป็นคนรู้รู้จสวาสมัยของใช้เป็นด ว, นวงในใจ น, นี่ประหลดสวยสงสาอัสมศัาสวาสบยส่วนนั้ น, ะาา น, น, น, น, นจนิตมันจะคงกั น, านหาที่เลี้ยงกายจะดัง จิตเป็นกิเลสแล้วเจริญเป็นตุโธดีนั่นเองเราเป็นตุอะนจิตจะเดิมจะงเป็นผู้ธเท่าไรก็ได้ท่นนี้เป็นจิตลมยุงปาปันธาปัญญาสัมทิปโคใกันถ้าไมเข้ามาทสมาธิก็เข้ามาทำฌานไปแ การบำบสมาธิในที่สุดก็จะเป็นเดียวกันเข้ามาทางชันคือพิจตพิจารไงถึงแต่ก่อเราล ง, ลงนกเสดีและเรียนรู้ลมเข้าระบอบ่ว่าสมาธิต่อมาเรามาพิตตพิจารดูดูลมในใจนะไม่ใช่วิจตพิจารปี่สุขเองแต่ลมนบอบิจ แต่วันตื่นแต่วันพั้ีใจดีใจแต่วันนีจรนาไขตัวเจรินลงในใจเขา่าแต่ก่อนเราไม่เลือกลูกอมันเข่าบอเป็นสมาธิทีนี้มาพิตโตพิจารจะเป็นฌานพิโตดูพิจารดูลงในใจเขายาวเป็ น, ใ น, ใน ลมหายใจออกยาวเป็นยัจารยจารเขาบอกวกนอจะนอ้าเขายาวจิตเราเป็นยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงที่จารเด็ดขดแน่นคอลงหายใจออกยาวสุท้องเปงไงความรู้สึกเป็นยังไงลงหายใจเขาสั้น วิจัยดูวิจัยดูนี่เปนวิจัยทำจะเป็นวิจัยเป็วิจัยทำมานังวิจัยดูหน้าตาวิจัยดูทำรื่นลมใจว่ามันเข้าหรือมันออมันสุดแหมเวลาเราใหใจละเอียดลงจิตเราเป็นยังไงนี่วิจัยดูดูวิจัยดูวิจารณ์เวลาเราให้ใจหยาดจิตระเบิดเป็นไง พอเรามีตกใรมีจิตของเร า, มาไม่ไนเราก็จะเห็นลมนห้ใจเราลึงไม่รู้สั้นไม่รู้ยาปกรลงเป็นอันนึ่งันเดีวช่วง้จะเกิดไปอีกมหใจในรังการไม่รู้ว่าลมสันม้นลมน า, าปกะงเป็นอันเดียว ก็จะเจอเพลินนั่นเลวตายตายตายหลงหลงในใจเราตายตายหำบอหลจิตก็หลงไรก็จะเิดปีติสุขเอละกายหลงเง่งเง่งมีตกนิจารปีติสุเพละก็ตายก็จะเิด ก็เรก่าเราได้ไปถมัดาแล้วแรไม่ต้องไปลงรวยัรงอะไรแล้วอยู่เฉยๆแล้วแรย่เฉยๆดูอยู่เฉยๆเอาไปมากายนะครับเพื่อลงให้ใจดำลงกิบกอดแลก็ดำนเนี่ยว่าคง เงในใจแล้วนำดับนำดามายมาเป็คงเด่นแปีอีสุเอตการ์ดตเรียบตรงได้พูตีนียชาพูตีเมอวันสอันทอาอันสามอาแ้เลยไม่ต้องไปกลุมไปแก่มีสติเก่งทั้งหมดเล่ ดูอยู่ดูเฉยอยู่ไมีดีม่เลวเอาไปหี่ดีตามใหายไปโดยตนเองขอคู่ได้แต่สุขกับเดชกกู้ดูดูููดููดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด แล้วล mm hmm. เราแหละลุยอยู่เฉยๆอยู่ไปอูมาเขาตรทัชจรนามุ่งสุกจามไทยหมายไปู้เบกขาเกิดขึ้นมาแทนเออไต้ดาวนได้สั่งสอนตั้งแดาสอนคือแยกดูานจานสีตั้งแต่านสี เรียกว่าปัจจานาชาเป็นคู่กันกับปัจจานาสมาธิเพราะชานสมาธิจะมากลายเป็นคู่กันแต่เรียกประชาตนปุเรียกว่าสมาธิปุรุเพราะมีอารมณสองต้งกันคืออุเบกขาปะเทกันขัดารุท่านจะเข้ามาทางสมาธิก็ได้เึงปัจจานาสมาธิท่านจะเข้ามาทางชาติก็ได้ถึง กันใ ม, มีาอารมออรมอยได้มาถึงจุดนี้เ้าเรียกว่ารูปแบบขาเอจะได้ได้เาเรียกว่าเราได้เจโตมิโตโเจโตโดดมิจิตพึงรว่ามโนจักกันมาชั่วลุกเข้าสมาธิเข้าใจชานสมาธิจะข่มโคมกันมาไว้นี่แหละเรียกวาทาฌานลอยครั้งอันตรำไม่ต้องเด็สงบกลางธรร ทานมาหลายหลายครั้งก็ไม่ได้านหลวอในทานพอจิตมาสงบตอนเดียวมาเห็นพระในทานได้พรคานเห็นพระในทาน้นัทานรอยครั้งั้ก็ไม่เกิจิตสงบตอนเดียวสมัยก่อนรทงเป็นพระโพธิสเคื่อนสยอานชาทานหน้า สับไม่งอบกันขานกันก็ไม่ใีทานนา่นั่ชีก็ไม่เห็นอารมณ์นเนี้ยนะเออท่านมางานเนี่ก็นนไม่เห็ น, นอะไรเลยตอบหับรขาหลงมานั้นจะเขารงเขายาอานาบาลสักนิคือนั้นจะรบัรบนะปัหาทา น, นัญไม่นักเขาเขารูจเนอารมณ์ ทนีาไรัินสมกันยโอท่าอเนี่ยอาณาญาสติ่ออะรแวมณะแล้วจะแบ่ลอนหไม่ไม่แ่เกื่อนแล้วจิตก็สมาธิตงานใ่อแล้เราจิผ่านาอีกแล้วมันจะทอเลอยากสมาธิก็ ว่าจะถอนออกมาเราจะได้ปัญญาปัญญาโดยกากสมาธิปัญญาเราจะเห็นกิตของเราเป็นผู้รู้ว่าสว่างใสออกใสเป็นธรรมชาติจะเห็นธรรมกายธรรมชาติไม่เห็นมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้็น <laughs> ไม่เห็นสัตวตนก็ตนอยู่ในจิตในใจมีเป็นธรรมชาติรู้นี่เป็นปัญญาเกิดจากสมาธิเมื่อจิตมีจิตถอนออกจากสมาธิรู้มีปัญญามีทุนไปต่อยอดความจำรู้ได้ปัญญาู้วนการไม่เห็นสัตว์ตนก็ตนรยู่ในาิตในใ เปนอันนี้ยากของาทหมามตัวเรางได้แบบพันหาในเข้าสู่วันนี้มอันนี้าาสมาธิสมถอ่าที่นี่ใจรักญาตมันก็มีหลายลักษณะอันหนึ่งเห็นใจญอคนคนมาเข้าสมาี่ มาติสุในสมาธินี่วกที่ไมเรียนแลนวเรียกว่าูเวลาัสังโย์ดวตสัโยร์ขอาลัาลนมันนติดอยู่ในลูวาชวาชติด่ในรูปฌานรูปฌานเองมันสุขมากกพราะฌานอสมาธิมันรอเ ไม่เกิดปัญญามีแต่สุขกับเอตตนะตตาลมีนันติสุในชาติสุในสมามติแล้วก็เรียกว่าอารมณ์นันตอนนี้เนฌาติดอยู่ในอารมณ์ตุจฌาอารมณ์นตอนนี้เป็ชฌานคือติดอยู่ในอารมณ์ตุจฌาเมื่อผ่านแต่้งดับแล้วจิงไปอุบัตขึ้นบนโลกะโลกถ้าได้ตุจชาอกไป เออโคลมาโรชันที่หนงสองสามเคลมาโรงานุกมันมีอยู่สิบชันชันที่12สถ้าไดุ้่มหยชาร์ไปวขึ้นบโคมาโรชันที่สถ้าได้ตุ่มหยัชาไปเจ็ดแถ้าได้ตุ่เยันชาร์กเห้องน้องก็จะไปโรวจร่ากายตประวัติการ อุบาตเนเบนโคานันที่สิบเสสนัน้น จ, จ็ดสองบ็ารีว่าสุาวเป็นาวะที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ได้แก่ที่อยู่ของพระานามีะนะให้ประกาเข้าใจอย่างีเมือ่อผู้ใดมาหลงชาติเป็นปัญญาที่อยู่ในคารมชาก็เรียกว่าพาลัน นี่ยจชาเรียกว่าดูเวลาภานอนุลาผ่าน่านี่ในงนงานไมีเกิดเป็นมีแต่งานมีอะไรสลับสนุนเมื่ออะไรมาเองชาไม่สามารถที่เข้าไปเจอขึ้นดักดูแมวดำไปยังมากกว่าเกิดเป็นมีโล แล้วเปลี่ยใว่าเยดีผู้ไรชันตัดหมดอายุการบงเพ็ญภาวนาตัดเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเนได้หนุนเรียนอยู่ดีถ้าไปติดยังไงฉันต่อเมื่อเมาไม่ถึงันด้วสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่ับต่อเป็น อาิจจังเพราะยอานิจจังใจกายเห็นใจกในานาิเรียกว่ารักกันงบานิจจฌเห็นใจกายในาิเรียกว่าักงนิจยิ่งเดใจในฌานฌานก็เป็นโลกใบจิตเป็นรรและเ ฉันทำเองฉันอยากฉัน้ัไัาคือัลัละเีกคือัโลกฉันันนี้อก็คือสารโลกฉันมันทันนี่แหละอารมณ์อารมณ์ ชาสมาธิมันจะเกิดทางมั่นคงเทาน่างเดียวคนไม่จักันหาบกบันหากระนิบและเฉนเฉยอารม์ชาแนจะเกิดอยู่ทางมั่นคงเทานั้นเดียวความรู้ว่าสว่าว่างนั้นบางทีคือรูในต คือโลกไงเนาะใจของเราคือโลกเป็นคือสันโลกเป็นเมื่อมันเป็นโกกับราสออย่างคือปัญญาน้าโมปัญญาลูกจุว่าว่าป้าสิ่างันอย่าี้เขาเรียกว่านามลูกกำนามก็เกิดขึ้นใจห้าม่มันซ่อนมันมีหน้าขันยาคือขันน้ที่เรามอนอยู่ เเกว่าตามโลกคนกำลังดิอยู่ในขันตามโลกนี่องแต่มันดิอยู่ใโกนันแต่ันอยู่ในอโลก่เออันนี้กอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นใจเราเรียกว่าโลกภานอกหรือเรียกว่าโลกภาในใจของเราแียกว่าโลกภายในโลกภายในมากระทบกับโลกภายนอก มันโองเห็นยานรู้ทุกพระสบฆอย่างนั้นมากนี้เขเรียกว่าอะไรลูกกระนาบนี่เขาเรียกว่าปัญหาก็้าใจไหยนี่แหละปัญหาสัญญาและเหี้ยขึ้นไปก่อนนี้ก็การรู้ฌานเป็นสัญญาณแบนี้สัญญาณแบนี้พอเข้าใจถ้าใครมนติดันดีก็้ยติดในอารมณ์ฌานในวารมัน Ja is, วันนี้อาจารต้องไปเกิดเป็นคนแล้ว um. วันายุของผมก็้มาเกิดเป็นมนุษย์นีมวันอายุของผมมาดความมันมีหองแล้มาเกิดเป็นคนนมาในงานงานว่าเนี่ยมาโดนกันใจเข้ายจไหมนี่แหละตอนวนมีนองเพราะมีอะไรโดนใจอยู่ที่โดนลูนลววนอายุอง เราไม่รู้ว่ามันเ็นของมีตั้นะครัใช่ไหมตอกแรกเราได้ใจนาเห็นในัตญเกิดใจนาเป็นฌานสมาธิเห็นว่าสมาธิเรื่านเป็นอะทีุ่กข์นานนนยาวเจ็บปดในฌานสมาธิเจ็ไม่ไปเกิดไปหมดเลยดโลกทั้งสาง อกล้ามลุกโลกลุกโลดันโลกโกยังได้ก่อนได้น่นะมันเชี่ยวกันวโลโลกันซ้ำโลกุนไม่ใช่ไปรูปแง่งแง่งที่โลไมดของเหนเดิมอาบแดนไปนองนั่งสมาธิอยู่นรูแ่ที่โลเนี่กลามเนื้อปนแบบลุกโลไนี่องแลลกโลไนี่ พอเข้าใจได้รักการอารมมันวินิจจะชาจิตยิ่ในรูปชาติจิตในอารมณ์สามรูปชาตที่เราเรียว่ารูเวลา่านลาานในสโยิตรองเข้าใจนะนี่ได้รการท่านมันมีอะไรบาทีนี้ได้รการท่าน ฌานของสมาธิไตรยานนละเียไปกันะกานั้่เห็นั้นเป็นอะไจุกรทางนันดามันเป็นยังไงเิขึ้นตั้งรูปกระไรจะแสดงมัน่จ็าตัรเคลืออากันนองไปนอไปไหน รูจากอายะไนน์ตานอกคือรู้เสียงเป็นรถรถแต่ว่ามมาลงเรียกว่าอายะนน์ายนอกมาตั้งตัวกันจากอายะนน์ตายในดวงตาที่จะเปลี่ยนใจวิญญาณรู้ขึ้นก็เรียกว่าโลกเกิดเรียกว่าอันหนเกิดเขาจเลยเกิดขึ้นม่นานปัจันแล้วก็จไป นี่เกิดโคกโดยเาะกระจายถ้นหากเกิดโคกลูกหมูอะไรเสียงเสียงโคกคือลูกายนอกหรือเรียกว่าโลกานอกหูก็คือสัตโลกภาในเมื่อมาบกันก็เรียกว่าลูกภายในลูกานอกกันนโลกาในโลกานอกกันวิญญาณนอของพระาเียว่าเกิดโลกเกิด ก็ว่าขันห้าเกิดก็อันเดียวกันเข้าใจไหมอ่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่้ก็ดับไปเรียกว่าอนิจจังเห็นขันหเป็นอนิจจังพวกขังฐาตาอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาคนไทยเออแล้วระดับเองของมัน อย่าดับนะยิ่งรูปสวยๆได้ไหมนะได้ยินเสียงสนุกได้ลดก็พิงอย่าดับนะได้ไ ม, ไม่ได้มันเกิดนะนะแล้วกว็ดับนี่นะเรียกว่าสัจจะเปความจริงนี่นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเช่นนันเองพระพุทธองค์ตัดว่าตัดัดัดดาเช่นนั้นเองันห้างจะเกิดขึ้น ดัอยู่แล้วดับไปอย่างเช่นนั้นเองให้เราดูดูไปดูมาเื่อหงุดเบื่อ้ามันเิดขึ้นัอยู่ไปไม่มีสาระไปยเอาไปถือเอาใจงคั้นไปดไปถือเอาหงอไนีว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้ารู้ว่า้งหน้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นอนิจจังรูปธรรมธรรมาแล้วก็ดับดับันท เมื e? <si like ่อคันหน้าดำเห็นคันหน้าเบื่อหนายในรูปคู่เปปิาดีเห็นมารูของเราก็ไม่แกี่ยเป็นอดีตยังทุกข์างอันตายึงกดในรูปเบชนะยาดีนิบิลยาดเบื่อหน่ายในเบชนาก็เกิดขึ้นกางดับไปนี่แหละไตรากาเห็นไตราการในคันหน้ ขันจิตเป็นกลางในโลกจึงเบื่อหน่ายทายความยินดีดับไม่มีเรือซึ่งความเกิดดับโลกนี้ดับโลกหน้าจีไหมฮะโลกห น, <า> น, น้าจะมี้มนี่หโลกนี้ดัโลกปัจจุบันนี้ัขนปัจจุบันนี้ขันห้ามงานอนาคตจะมีไหมฮะฮะ มีก็ตอแต่ว่ามันเกิดเองดับเองมันมันขันห้างมันมีเจ้าของแล้วก็ดับโลกได้เห็นดับด้วยอะไรดับด้วยใจนัก่างเห็นว่ามันเออขึ้นก็เรียกว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ันห้างไม่ดูได้บุญฟักัญชา มันจยกเกิดก็เกมันอยกเห็นรูกมันจะเห็นกกมันอยากได้ยินได้ยินมันเกิดขึ้นตั้งอะไรไปนี่อะไรเรียกว่าได้ตั้าาาาางาจในสมาธาวเวีนน่สมาธิไปคนที่ไปเห็นนิมิตม่สมาธิก็เนี่นิมิตนิมิตในสมาธิกินได้ก็จะลาสมาธิกินไปลอ ง, งจุดน้แดงมันจะเกิดนิมิตขึ้น มี่นี่วิ่งซ้ำวิกงจิตกรรมคือิใต้สมองจิตนึกหรือนึกหรือนึกหภาพว่ายออกมาเหมือนกับน้ําออกกระทําอารมณ์อารมณ์ทเราจได้หายรู้ว่าใจวอกเตาใส่ก่อนเาจิตมน้วว่าอารมณ์ก่าๆเวลาไหนออกมานน้ไหลออกแล้วออมาซึ่งแกนเป็นผ้าฉายออกมา ทามังนงม่มงงเยใจใจของเราก็เกิดเป็นข้ามขึ้นมาเวลาเรานั่งสมาธิใบเห็นอ า, า, านนั้นอันี้เราเรียกว่านินิตเข้าใจไหมนิมิตเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่อย่างนี้ไปคิดเห็นอั น, นนั้นอนี้เราเรียกว่าคิดถ้าเข้าสมาที่เรียกว่านินิตถ้านอนหลับเรียกว่าสันอันเดียวกันนะแม่ป้ากันสนใจ S <S แต่มัคนรั้นสังกาเมื่อเราเห็นนี่มิเกิดอย่างไรดีใดเสียใดเกิดขึ้นิให้นิ่งที่บ้านดูนะเวลาเห็นสมาธิไม่ยินดีไม่ยินลายจิตก็จะนิ่นิ่งแม่นิงลมหรือชาดยปนาชาปสมาธิถ้าเราไปลงมือในนิตของเราก็ไม่ลงจน่าตุใด นิมิตคือมันมันแดงแดงเพศขึ้นมาอออออรอเรารอกจิตเราไปคองจะเจไม่ให้จิตของเร า, เารไปยเห็นอารมณ์าทีนี้นิมิตมันก็แล้วกันฝันฝันแล้วก็จำไม่ได้บ้างจำไม่ได้บ้างใช่ไหเกิดขึ้นแล้วก็ดหนนิมิตมันเกิดขึ้นตั้ง ลับไปไม่ต้องกลั ว, วเอาปดไจร้ายยาขับไล่ปดใจร้ออยายาเนี่ยเรียกว่า้าดขาดของพระพุทธเจา้าเคลียร์ในมุของพระพุทเจ้าคืออนิจจังทุกขงัของอ น, นัตตาเมื่อนิมิตเกิดขึ้นในสมสาธิเราก็เอาร้นยยาขัลไล่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา เกิขึ้นทั่วข่าวตั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจไหอะไรก็จะมีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาคือเอาธรรมดาไล่ธรรมดา กับอนิจจ <Huh. S 1> <protein, S 2> mm ังขาดานาจาก็ท hmm. <enn> ุกคนเดียวกันเข้าใจไหถ้าเราเห็นดวงตาเห็นธรรมดาก็เรียกว่าเห็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมไม่พูกพันในลมดาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแลวกับนิรนี่เกิดึ้นยน้ำก็ดับไม่มีตัวตนสัตว์สุขัตในนิันิเหนเสี้ยเสี้ยแง่รองแง่หรอดเดียก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมได้เป็นญาาว ง่ายเลยทำมาอย่างนี้มีเรื่เกิดขึ้นกลางนี่แคือใจรังยานใจรังยานในนิ่งใจราาังานชาดในสมาธิใจ ร, ร, รังยานในนั่งานนั่งยานใจรังานในุสิ่งของ ย, ยังไรซื้อรถมามาไม่มต่สวยก ร, รับ เอารนเก่ามาก่อาก็เรียกว่ามันแยงลยไม่ียงฮะียไหมอย่างี้ไม่ยนี่แหละคืออ้จังอ่าอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงแน่นอนถ้าไเที่ยงแน่นอนมต้องม่สวยือเดิีนะได้ละีรักเสม คนอยู่ในเดิมงไม่นะเพราะอะไรเพราะปอดทำมามใช่ทำไมใช่ข้อกำลางสั่นโลกทาไมสันเปื่นกินโลกทำไมสั่นเื่อนโลกก็คือไตรากานปื่อยจีนเป็นอเดรรมของเราืกแต่ก่อนเป็น่เป็ น, นเล็กมันแกน่มันเที่ยงแม่ไนะทเที่ยงแม่เห็นไหมเที่ยงแม่ใช่หต่อไปก็จะเป็นใบชลา มองหอหลังหองไปสดงถึงกลูกไปเดลูกเอาอ ก, ก้อ น, อน ก, ก่ <c oughs> อไปเรื่อ่าเรียกว่าแมนเทียงทุกขังทนอยู่ม่ได้แต่วเปลี่ยนแกงเลยอนัตตาไม่ได้ ก, ไไดกับธรัญชาในที่สุดก็เสร่อมสลายมาสูงไปเคยเห็นหมอนอ้หมหม อ, อมีิไหมหม้อดิบใหม่ๆมันจาก เป็นหม้อสวยเอาไบมนนานเกาักาแล้วกแตกใช่หเสี่ยมจะลายเมื่อลายซูนไปสู่าตเดิเนม น, นั่นออันตาเห็นหันตายเนี่ยมีตัว ต, ว ต, วตวน เ, เ, เป็ตั้งแต่ก่าไปหม้อมันมเป็นตัวเป็นตัอยเวลาเสี่ยมจะลายก็ไปสู่ดินมันหม้อไปไหนนั่นเป็นอนนันตา นะก็ยังงนะ่กว้านแขไนแขงนะแต่วนันไปว้านโดยนาะนลลายอากาศเป็นอาา้นเป็นงพอมันเสือฉายนาบอกได้หงเืนบังคับไม่ได้เสือฉนะ า, ายนลงไปสู่ธามันเป็ น, นอนัตตาไม่หยุดได้เรางารไปอ่าไม่หย ดดกดใจร่างาแม้แต่เข้าสมาธิไปก็ยังไปเห็นทนะี่ว่าอาการที่ปวดอาการทีบปวอาการที่ปวดทที่ไม่ต้องตอ ก, การ เ, ล, ารเลยนะแน้แตเือถ้า่ีีวนะเป็นธรรมาไม่ได้ไม่เป็นไม่จิดติไม่เลี่การเวลาข้องต้อจิตโลกลนะั้นนั้นเรียกว่าอาการที่ปว เราดูถ่ายมาเราในิอยู่เป็นกู้รู้รู้เป็นทำ้องทำอะเป็นูรู้ดรู้เฉยูเฉยเน่ารกมารมะรี่ได้มาดีเราาดแดทแเราก็จิตเราไปอาสายไปดื่มดื่กับทุกโตตั สังโฆพึ่งหลวงจิตของเราแต่เรียกว่าหลักกานอินทร์แอนนรัโต้นระแนวิจิตรทุกตนพอยแต่ตนทุกตนได้ทักทรมตนตนก็คือใจทาใจให้เกิดเป็นพุทโธโมสังโฆโตุลเมื่อชาติแตกกันจะกัดระพองจิตเราไยพึ่งหลวงพุทโธโมสังโฆ ก็เคยจูงมนโง่เกิดเรื่องว่ามันเป็นอนิจจังทุกคั้งอนัตตาก็ไปเข้าปฏิทันพอเข้าใจได้ตัณหารักสังสารได้เวโรสาคืออนิจจังทุกครังอนัตตาได้าัณีาีเกิดบูรณา ในบางางที่เรามองเห็นในบรรถุสิ่งของเครื่องใช้ของชายของเรานเห็นมันได้มาใหม่ๆแล้วต่อมาก็แปรโชนเป็น เ, น เ, นเนต่อขอาข้าวาแล้วก็ถูกทําเสือกจะไลามาที่สู่เป็นอนิาจักรดุลังอาณาจักที่เราเล่นให้เห็นไปไมา แต่ความเว็นไปมันอ่อนต่อมามันแก่ทึบแก่ก็มาเหล่มมาเรียกว่ามันแข็งแรนะนี่แหละอันนี้ยังมันไม่แข็งมันแบนบลปนแบแล้วก็ลงลงไปเป็นอัตราฉังามาได้สุดเลยให้เเ็คนแบส้มายกำไมลลงติม มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบาทีถูกลุนรมาตั้ไม่ถึงมันก็หลเหมือนกับตายนยังไม่เี่ไม่ที่อาจารย์โลทยอาจด่เงมัดหนุ่กอเกว่ามัเที่ยงไม่ได้นะไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นหลักการทุกทงเนี่ย เราจะเห็นใจขันยนอย่างเข้าไปเราจะไปเห็นใันยานในชั้นหาชั้นอย่างๆการโลกเห็นใจผู้นอเปเท่อเป็เกทานเด็ไปเป็ะาอาไปเอามาจะไปเห็นใจขันยานในระยัดระยันในชั้นระยดคือชั้นลูกช้างลูกชา แนวคันห้าอย่างห้าอย่างถ้าเราทำลำจิตอของเราต่เข้าสมาธิได้ไม่เหมือนกันแต่ละคนละย่างทำลำสมาธิมันจะมากน้อยมไม่เหมือนกันบางคนเข้าสมาีิได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางคนก็เข้าได้เพียงสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วแต่กำลังมีรำงสมาธิมัน เข้าไปแล้วม uh ันม <mm ีตัวมีความสอมรู้นี่ว่ามันเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมถอนอ่อมาไม่เที่ยงบางคำไม่ได้มันไม่มีตัวตัวป็นบคมันเป็นอนั่ต่างไม่ได้เพราะไอ้จางไปเห็นไอ้ลูกชาคนนึงน่ะมันเข้าไปพักอยู่ได้ที่ชั่วมซสองสมถอนออกมาพวกเนี่ยว่ามันเป็นเที่ยง ถ่าใครปติดดนี้นั่นคือวาห้านภิจติดในอารมณ์นในอารมณ์สมาธิตายไปก็เปด้วยในสุน陀โลกถ้าผู้ใดม่เห็นฌานสมาธิเกิดขึ้นร่างดูดาไปเป็นอนิจจังทุกขกอนัตตาที่จะรับขปจกเห็นรัสาเินอนิจจังทุกข์การอนตา้จ ไม่มีในฌาสมาธิเราขอฌานเข้าสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตพักจิตพักตัวจิตจะมีกมมมลละละมาก ล, ลังมีพลังพล่งงานสิ้นสุกลังจิตของเราเมื่อันตัวจิตจะมีกาลังเมื่อเราเอาไปเดินพ่พิธสนามมันจะเปฆ่าที่เล็คือความรู้ความนอกเรื่อวิชา น้ำมันจะนข้าได้ง่าๆเห็นไหมมันจะดบฉะนั้นมันนี้รมาพูดถึงร่างยาไปฟังใร่างกายนสิ่งของวตัตถุสิ่งของเป็ น, นในตร่างยาใจร่างยาในทางมลคือแั็งและแยกมาเห็นไหมอาจาทัา เข้าใจไหมเนี่ยเจนนิทนาเนี่เราไปเห็นใจกัญญาในสมาธิเห็นใตกญญาในานในสมาธิว่าเป็นการจังจุะเราจะเบืองายไหกลับลงลุกโลดดับโลดดับพกดับทิ้งพไปกับใจกัญญาเข้าใจไหมอันนี้อ อาญาใจหน้าใจนอกใจในใจกบดันปีญญาดูขึ้นมาเรียกว่ากำเนิเกิดเกิดแลมันดับไหดับเรียกว่ามันไม่เที่ยมันเกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้ตลอดวันเป็นใจกลางเป็นสื่อเนื่องกันเป็นสัญชาติเราไม่เที่ยนาดูจนไม่เห็นเห็นว่ากัเนิดเป็นอะไรกอย่างทน่งอานันต์เกิดเคล่นตางอยแนไม่มีตัวตนสัตว์องกอยู่เอนี้ มันเกิดเองดับเองามันเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออริยสกิเี่ว่ามันรู้มันเกิดแล้วเร า, เราที่นั้นมาด้วยใจรักย า, าเข้าใจไหมดับนั้นาด้วยใจรักดับสมาธิด้วยใจรักยาดับนิมิต ด, ด้วยใจรักยานิมิตที่เราเห็นในสมาธิ เไงไม่มีตัสักนึ่นเราก็ดำโลกระโดดดสดำโบทคบไปกับชั้นหาชั้นหัเกิดบแล้วรามเป็นวัตถุกรัเราทิ้บไปกับระยานเข้าใจไปกับชั้นหด้วยเห็ชั้นหว่าเป็น อ่างทุกงานนัได้พบกับเมื่อพบกับชาติจะมีมีบัเกิดจะมีมีชรามาใัหน้าปักไปเราก็จะพูดรู้ทั้งตัวเวลาด้วยว่าจะมีพอเข้าใจได้ในการงานนะด้ในการที่แรกเราต้องต้องัวก่อนนะแต่นีงยัทุกท่านะอันดน้นแปลว่า ลักษณะสามตวนี si ้จทุกครังอนัตตาตนี้จำคุณเกิดทุั้งอยู่จำไปตัวนจทุกครังของพ่เกิดเมื่อหลับทุกครั้งอนัตตาเพเพราะไม่เคตไท้าใครเมื่เกิดเมื่อหับเรียกอะไรก็เหนใรรง้นายนะในดวงามทงาด้วย ได้โอการไดพบกับชาติได้ดัแสดงมาวอาสมควรแก่เวลาเอวังกรมี้วยการเสนี้